ทำบุญมามากไม่เจอแฟนสักทีถามผมอายุก็ไม่น้อยแล้วแต่ยังไม่เคยเจอกับคนที่ถูกใจและเหมาะสมกันเลยความจริงก็เจอนะครับที่ถูกใจแต่ตอนเจอจะมีแฟนกันอยู่แล้วทุกครั้งเลยตอนแรกๆก็คิดว่าคงบังเอิญแต่พอบ่อยเข้าก็ชักเชื่อว่าไม่บังเอิญคือเหมือนชะตากแกล้งจงใจซ้ำๆว่าต้องเป็นอย่างนี้เสมอ ผมไม่เคยแย่งแฟนใครเลยบางทีก็คิดว่าความซื่อของเราคือการปิดโอกาสให้ตัวเองอีกอย่างหนึ่งผมไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เรแล้วก็ทาบุญช่วยเหลือคนมาไม่น้อยก็ไม่เห็นว่าจะเป็นเหตุดึงดูดคนเหมาะมาคู่กันสักทีอย่างเนี้ยแปลว่าผมทำกรรมอะไรมาในอดีตกลายเป็นอุปสรรคขวางทางคู่บุญหรือเปล่าครับ รอบกกรณีของคุณเราอาจต้องคุยกันในมุมมองใหม่ครับคืออย่าถามว่าทำกรรมอะไรมาแต่ควรถามว่าไม่ได้ทำกรรมอะไรมามากกว่าที่กล่าวว่าเป็นกรณีของคุณโดยเฉพาะก็เพราะคุณบอกว่าตัวเองชอบช่วยเหลือคนหน้าตาไม่ขี้ริว้วก็แสดงว่าต้องมีสเสน่ห์อันเกิดจากหน้าตาดีๆ และจิตที่เอือเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ต้องมีผู้หญิงมาชอบอยู่บ้างและอาจจะเยอะด้วยแต่เรื่องของเรื่องก็คือคุณไม่ถูกใจหรือคิดว่ายังไม่ใช่คนที่เหมาะสมสำหรับคุณอันนี้คุณจะทราบอยู่กับตนเองถึงเหตุผลแท้จริงบุญกรรมในเรื่องคู่นั้นคุณทำคนเดียวไม่ได้ ต้องมีใครอีกคนหนึ่งทำมาด้วยกันเป็นไปในทางเดียวกันและลงรอยกันสนิทจึงจะเรียกได้ว่าเป็นคู่บุญกันจริงๆคู่บุญจะได้พบกันด้วยแรงดึงดูดอันลึกลับและสนิทใจกันด้วยแรงดึงดูดที่ลึกซึ้งหันกลับมาดูความคิดของคุณคุณคิดว่าถ้าทำบุญแม้จะทำอยู่เดียวๆในชาตินี้ อย่างไรบุญก็คงดึงดูดผู้หญิงดีๆที่คู่ควรกับคุณมาหาซึ่งก็อาจจะดึงดูดจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ชอบละ่ะนั่นแหละปัญหาของการไม่ได้ร่วมกมกันมาหาใช่เป็นปัญหาของตัวบุญแต่อย่างใดหน้าที่ของบุญคือเป็นปัจจัยให้สุขสมยินดีที่ได้ทำเรื่องน่าสบายใจ และเป็นแรงหนุนให้สมปรารถนาในขอบเขต ท, ที่พึงมีพึงได้ปัญหาอยู่ที่ใจคนครับคือทำบุญอยู่ในขอบเขตหนึ่งแต่จะตั้งความปรารถนาไว้เกินขอบเขตกันอยู่เรื่อยของคุณยังดีที่บ่นเรื่องแฟนผมเคยเจอยิ่งกว่านี้ลงทุนทำบุญไม่กี่สิบกี่ร้อยแต่บ่นว่าไม่เห็นรวยไม่เห็นถูกหวยสักที เลยท้อถอยไม่อยากทําบุญอีกแล้วกรรมวิบากมีจริงครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจกฎอย่างแท้จริงก็จะต้องเสียกําลังใจรอรอสิ่งที่ไม่มีวันมาถึงเรื่อยไปอีกประการหนึ่งจากที่เห็นกับตามาหลายคู่ในช่วงระยะเวลาหลายปี ที่มีโอกาสรู้จักชายหญิงใจบุญใจกุศลทั้งหลายพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าการชอบธรรมะด้วยกันยังไม่ใช่ใบรับประกันความสุขในการครองคู่เสมอไปคู่รักที่มีใจฝักใยธรรมะแค่โน้มเอียงที่จะอยู่ด้วยกันอย่างภาสุขมากกว่าคู่ที่ฝักใยอาธรรมนี่เป็นการให้ข้อมูล ให้ทราบข้อเท็จจริงคือว่ากันตามเนื้อผ้าจากสิ่งที่มีอยู่ให้เห็นนะครับมีหญิงชายจํานวนหนึ่งพอใจเรียกตนเองว่าผู้ประพฤติธรรมแต่ไม่ได้มีความเต็มใจเปิดรับธรรมะเข้าไปอยู่ในใจอย่างแท้จริงผลที่ปรากฏออกมาจริงๆก็เลยไม่แตกต่างจากหญิงชายอื่นซึ่งจับคู่กันด้วยกิเลสอยู่ร่วมกันอย่างมีกิเลสมีทิฏฐิมานะ มีอัตราใหญ่โตและมีช่องว่างที่กว้างขวางถมไม่เต็มทั้งหลายหากคุณผ่านการมีแฟนที่ใจบุญด้วยกันมาก็ยอมเห็นความจริงได้ว่าแค่ทำบุญตามมาตรฐานอย่างเดียวยังไม่พอคุณต้องต่อ ย, ยอดขึ้นไปอีกทำให้เกินมาตรฐานคือช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันทั้งทางโลกทางธรรม กับใครก็ตามที่โขจอเข้ามาจนกระทั่งเกิดความซึ้งใจกันผูกพันกันและสนิทใจกันหากคุณรอคนรักสำเร็จรูปคุณอาจจะไม่ได้เจอเธอตลอดไปแต่หากคุณกำหนดใจไว้ว่าเอาแค่พอเข้ากันได้โดยพื้นฐานเราค่อยๆเติมสายใยความสัมพันธ์ด้านดีเข้าไปทีละน้อยกระทั่งเกิดความผูกพันเหนียวแน่น นั่นแหละคุณอาจจะพบว่าตัวเองเจอแล้วแต่ลืมสร้างเหตุปัใจจัยให้ถูกใจกันและกันกรณีของคุณมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเป็นไปตามที่คุณเล่าเป๊ ะ, ปะคือพบคนถูกใจก็มีแฟนแล้วนั่นแหละหากไม่มองในแง่ที่ว่านี่คือผลกรรมจากอดีตชาติแต่มองในแง่ที่ว่า นี่เป็นบทพิสูตว่าคุณมีบุญจะรักบุญสักแค่ไหนของรักของห่วงของคนอื่นคุณห้ามใจไม่แย่งมาได้ไหมคุณไม่ตามใจตัวเองไม่ยอมมีความสุขบนบาดแผลของคนอื่นได้ไหมการเป็นชายผู้โชคดีที่อาจหมายถึงการยัดเยียดความเป็นชายผู้โชคร้ายให้คนอื่นนั้นจะทําให้คนที่รักบุญไม่อาจรักหญิง ด้วยความภาคภูมิใจแต่อย่างใดเลยพูดแยกมาอีกทางให้ครอบคลุมนะครับต้องยอมรับว่าบางคนก็เกิดมาเพื่อที่จะอยู่คนเดียวนับจากอุปนิสัยใจคอนับจากความปรารถนาเช่นมีจิตฝักใฝ่ในการพ้นทุกข์ยางเด็ดขาดถ้าส่วนเลือกของคุณรักอิสระ ไม่ชอบตัดสินใจร่วมกับใครกับทั้งทาบุญฟังเทศฟังธรรมและเกิดความทราบซึง้งอยากรู้จักพระนิพพานอันพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นรถที่เหนือรถทั้งปวงความปรารถนาในส่วนลึกนั้นของคุณอาจก่อร่างสร้างตัวเป็นกำแพงหรือสนามพลังไร้ตนกั้นขวางไม่ให้ผู้หญิงคนไหนเข้าถึงตัวคุณได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องสำรวจใจตัวเองขุดค้นให้พบส่วนลึกว่าจิตของคุณติดอยู่กับภาวะแบบไหนกันแน่อยากมีคู่หรืออยากเป็นอิสระติดใจภาวะแบบไหนจิตคุณก็เสวยพบแบบนั้นหลายคนที่ชอบทำบุญจะสับสนนะครับนับเป็นเรื่องน่าเห็นใจเหมือนกันเพียงคุณติดใจความเป็นอิสระอย่างมาก ก็จะเหมือนมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้หญิงที่จะเข้ามาคือต่อให้กายสนิทใกล้ชิดอย่างไรใจของแต่ละฝ่ายก็จะสำเนีกรู้สึกถึงช่องว่างนี้ได้